ยกของและถวายในขณะที่เราขวนขวายยกเนี่ยให้ถ้าเราไม่ได้มายกเสมอเหมือนหนึ่งเราไปยกจริงเลยเนะให้คิดนะหรือจะมาจับยกด้วยกันได้หมดเล ย, เ, ยเรามีมือมีอวัยวะทั้งหลายให้ขวนขวายว่าเราจะทาเราจะให้ทานด้วยศรัทธาให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยถูกการให้สลาขาดให้โดยไม่กระทบตนได้บุคคลเ่งเราจะปงแต่งจิต